สิกขาบทวิพัง 1,117 พัน่งร้อยดคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพาะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าสาชีวินีพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสัตวทวิหาริณี คำว่าบวชให้คืออุปสมบทให้คำว่าไม่พาหลีกไปคือตนเองไม่พาหลีกไปคำว่าไม่ให้พาหลีกไปคือไม่สัง่งผู้อื่นพอทอดทุรว่าจะไม่พาหลีกไปทั้งจะไม่ให้พาหลีกไปแม้เส้นระยะทาง5ถึง6โยต์ต้องอบัดปาจิตตี